คนลาวบุญมีแต่กรรมบังผมเฝ้าสังเกตหลวงตาท่านมาโดยตลอดตั้งแต่ได้เข้ามาวัดป่าบ้านตาดท่านไม่ได้มีเวลาพักผรเหมือนพระอื่นๆท่านไม่เคยว่างเว้นจากการพิจารณาและปฏิบัติธรรมท่านมีแต่ความเมตตาให้กับสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในความทุกข์ไม่เฉพาะประเทศไทยของเราแต่ข้ามไปจนถึงประเทศใกล้เคียงเช่นลาว ซึ่งเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านหลวงตาได้ไปเห็นความยากลําบากของชาวลาวที่ขาดการสนับสนุนในเรื่องการดูแลรักษาคนป่วยไม่มีแม้กระทั่งเสาแขวนน้าเกลือต้องใช้ไม้ตอกตะปูทําเป็นตัวทีท่านได้ตระเวนดูแล้วจึงมีความเมตตาท่านได้สงเคราะห์ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เงินสนับสนุนเฉพาะการช่วยเหลือเรื่องเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับดวงตาเพียงอย่างเดียวก็นับเป็นมูลค่า30ล้านบาท และยังเมตตาให้สิ่งของอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคนับสิทธิ์คันรถคณะสิทธิ์ข้ามไปช่วยเหลือแจกของสงเคราะห์เป็นจำนวนมากประชาชนลาวจึงได้รับการอนุเคราะห์จากหลวงตาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนก่อให้เกิดความปีติและซาบซึ้งในความเมตตาขององค์หลวงตาไม่รู้ลืมแต่ต่อมามีเหตุขัดข้องในการนาของไปสงเคราะห์ด้วยเหตุขัดแย้งทางการเมืองจึงยกเรื่องไขวัดนก ขึ้นมาอ้างขอให้ยุติการเดินทางเข้าไปดังคำเทศของท่านเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักรา25ช2551เฉพาะตาเนี่ยร้0ยล้านบาทนีท่ทั่วไปนะทั่วไปทั้งประเทศนั่นแหละทางอุดอรนี่น่าจะได้มากกว่าเพื่อนมันอยู่ใกล้มันมากวนบ่อย38ล้านบาทนี่โรงพยาบาลศูนย์อุดอรคว้าไปแล้ว38ล้านบาทนอกจากนั้นก็ทั่วประเทศ เราเอาไปส0สิบล้านบาทตายอย่างเดียวก็ไปทางเวียงจันทร์กระมังเวียงจรรันทร์ขึ้นอยู่กับกรรมเหมือนกันนะเราไม่ได้ตำหนิท่านผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่จะรับเราก็ไม่ตำหนิที่จะให้เราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะให้แล้วอยู่ๆก็ไขวัดนกมาเป็นกำแพงขวางกั้นเอาไว้ระหว่างลาวกับไทยฝากแม่น้ำโขงกั้นไว้เนี่ยเขารับไม่ได้นะบอกกับเราเป็นไขวัดนก ไขวัดนกเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจากหลวงตาท่านตั้งใจจะช่วยชาวลาวเหล่านั้นเพื่อให้พวกเขาได้รับบุญจากผู้คนทั้งหลายที่ร่วมบุญกับท่านจากเหตุขัดข้องในด้านการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่ทั้งทางประเทศไทยและประเทศลาวประกอบกับการไม่ยอมรับความจริงของประเทศลาวไข้หวัดนกจึงระบาดอย่างรวดเร็วทันทีทันใดสายทางแห่งความเมตตาของท่านจึงได้เปลี่ยนทิศทาง ไปยังจังหวัดเชียงใหม่สงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนและขาดแคลนตามตะเข็บชายแดนจนหมดสิน้นท่านเทศให้ฟังในภายหลังว่านี่พวกเขาเองกรรมมันโดนบันดาลอะไรก็ไม่รู้พวกเขากีดกันกันเองทางนี้เลยไม่ให้เสียยกจากเวียงจันทร์มาแล้วก็ใส่ไปทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ทางเวียงจันทร์เลยไม่ได้ไขวัดนกกินหัวมันเลยไม่ได้ละทางเวียงจันทร์มันก็มาดนบันดาลเหมือนกันนะ นี่ก็พร้อมจะให้แล้วท้งนั้นไม่พร้อมที่จะรับก็เราเตรียมจะเอาไว้ช่วยแล้วขาตกบกพร่องแม้แต่ตึกรักษาคนไข้ได้ป่วยเราก็จะให้จะให้ไข้วัดนกมันดันทีเดียวแหลกหมดเลยแต่กระจายเลยไม่ได้